ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวกับเรื่องช็อกโกแลตบัตเป็นเด็กชายตัวเล็กๆอายุสิขวบวันหนึ่งป้าของบัตมาเยี่ยมครอบครัวของบัต ท, ที่บ้านป้าเพิ่งไปเที่ยวต่างประเทศมาจึงซื้อของมาฝากพ่อแม่และบัตมากมายแต่ที่บัตเห็นแล้วตาลุกวาวก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตแท่งโตที่ป้าบอกว่าเป็นยี่ห้อที่อร่อยที่สุดของประเทศนั้น ความจริงบัดเป็นเด็กเอื้อเฟื้อคนนึงแต่ครั้งนี้เขาเลือกที่จะเก็บช็อกโกแลตไว้กินคนเดียวเพราะเป็นสิ่งที่เขาชอบมากดังนั้นเมื่อป้ากลับไปแล้วบัดจึงควา้าซองช็อกโกแลตแล้ววิ่งเข้าไปในห้องนอนของตนทันทีโดยที่พ่อและแม่ไม่ทันสังเกตเห็นเอาเขามากินในห้องอย่างนี้ก็ไม่มีใครแย่งเราได้เราจะได้กินช็อกโกแลตแท่งนี้เต็มที่ไปเลย บัตพูดกับตัวเองด้วยความกระหิมยิ้มย่องบัตลงมือแกะห่อช็อกโกแลตพรางจินตนาการถึงรสชาติเข้มข้นหวานมันที่กำลังแตะลิ้นในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าแต่แล้วจูๆ่ๆก็มีเสียงร้องเรียกชื่อเขาดังมาจากหน้าบ้านบัตบัตยูโฮบัตเสียงเรียกแบบนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเพื่อน พวกนั้นคงจะมาชวนไปเตะฟุตบอลเหมือนทุกวันแต่วันนี้บัตแซงทำหูทวน ล, ลมเพราะว่าเขาอยากจะกินช็อกโกแลตมากกว่าที่จะออกไปวิ่งเล่นบัตบัตเฮ้บัตอย่ามาทำไก่เรารู้นะว่านายอยู่บ้านนั่นไงรองเท้านายวางอยู่นั่นเราเห็นนะเพื่อนเพื่อนของบัตฉลาดเป็นกรดบัตจึงจำต้องวางช็อกโกแลตลงแล้ววิ่งไปที่หน้าต่าง โทษทีเราหลับอยู่พวกนายมีอะไรหรือเปล่าบัตจะงกหน้าออกไปถามจึงได้รู้ว่าเพื่อนๆมากันหลายคนทีเดียวเพื่อนคนที่ตะโกนเรียกบัตตอบไปว่าจะมีอะไรสิอีกล่ะก็มาชวนไปเตะบอล น, นะสินายนัดพวกเราเองนะจำไม่ได้หรือไงวันนี้เราไปไม่ได้แล้วพวกนายไปเล่นก่อนเถอะอา้าวทำไมล่ะบัตเราบัตคิดคําแก้ตัว อ๋อใช่แล้วเราต้องทำกันบ้านการบ้านอะไรเพื่อนอีกคนถามขึ้นบัตจึงได้รู้ว่ามีคนที่เรียนห้องเดียวกับเขาปนอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยบัตตกใจมากไม่มีสักหน่อยนี่นาเพื่อนเพื่อนห้องเดียวกันคนนั้นหันไปพูดกับคนอื่นเด็กชายที่ตะโกนเรียกบัตจึงร้องถามบัตว่าเฮ้บัตนายเป็นอะไรกันแน่ หรือว่าพ่อซื้อเกมใหม่มาให้แล้วแอบเล่นคนเดียวดีละพวกเราจะขึ้นไปบุกห้องนายเพื่อเล่นเกมสุดมันนั้นด้วยเลยตายแล้วบัตนึกในใจถ้าพวกนี้มองเห็นช็อกโกแลตของเราเราก็จำต้องแบ่งให้แล้วเราจะเหลือกินเองสักเท่าไหรล่ล่ะสมองของบัตคิดเรื่องช็อกโกแลตขึ้นมาทันทีแล้วปากเขาก็ร้องขึ้นเร็วเพราะความคิดเฮ้ยไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอะไรทั้งนั้นเอาละเอาละ เราจะลงไปเดี๋ยวนี้พวกนายรออยู่ตรงนั้นแหละพูดจบบัตก็วิ่งกลับมาที่เตียงนอนแล้วเอาห่อช็อกโกแลตที่แกะค้างไว้แต่ยังไม่ได้กินแม้แต่น้อยซุกไว้ที่ผ้าปูที่นอนที่ที่เขาแน่ใจว่าจะปลอดภัยจากมนุษย์ทุกคนในโลกจากนั้นก็วิ่งลงไปหาเพื่อนๆที่รออยู่ด้านล่าง เด็กๆ เ, เล่นฟุตบอลกันตั้งแต่บ่ายถึงเย็นจึงชวนกันเลิกวันนี้ทุกคนยังไม่กลับบ้านของตัวเองทันทีแต่กลับชวนกันไปนั่งเล่นที่บ้านของบัตต่อบัตซึ่งมีใจผววงถึงแต่ช็อกโกแลตใต้ผ้าปูที่นอนอยู่ตลอดเวลาจำต้องตอบรับคำขอของเพื่อนๆ อ, อย่างเสียไม่ได้ปกติเวลาบัตชวนเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านเขาจะพาเพื่อนๆขึ้นไปเล่นบนห้องนอนแต่วันนี้บัดไม่เอ่ยปากชวนใครขึ้นไปบนห้องนอนของเขาเลย ดีที่แม่ของบัตทำขนมอบไว้ให้จึงนำขนมอบและน้ำหวานมาให้บัตและเพื่อนๆกินกันอย่างอิ่มน้าสำราญทุกคนสนุกสนานเฮฮา ย, ยกเว้นบัตแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นเมื่อไรเจ้าพวกนี้จะกลับไปสักทีนะเราเสียเวลาอยู่กับมันมาทั้งวันแล้วเราอยากกินช็อกโกแลตของเราสักทีบัดคิดซ้าไปซ้ามาด้วยความหงุดหงิด กระทั่งถึงเวลาอาหารเย็นเด็กๆจึงขอตัวกลับบ้านบัตดีใจมากแต่ต้องเก็บซ้อนอาการไว้คันเพื่อนๆกลับไปกันหมดแล้วบัตจึงรีบวิ่งขึ้นบันไดแต่สวนกับพ่อที่เดินลงมาและถามบัตว่าลูกเห็นช็อกโกแลตที่ป้าซื้อมาฝากบ้างไหมเห็นป้าบอกว่าอร่อยนักหนาพ่อก็เลยจะชิมดูเสนหน่อยว่ารสชาติเป็นอย่างไรแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอสักที บัสอึกอ a c อ, อัก อ, กอกเพราะไม่ค่อยอยากแบ่งช็อกโกแลตให้ใครแต่เมื่อเป็นพ่อก็ไม่อาจปฏิเสธได้ดังนั้นก็จึงพาพ่อไปที่ห้องนอนและเปิดผ้าปูที่นอนออก mm hmm. ทันทีที่ได้เห็นของที่วางอยู่สองพ่อลูกก็ร้องออกมาด้วยความตกใจ mm hmm. ช็อกโกแลตแท่งนั้นยังวางอยู่ที่เดิมแต่ไม่อยู่ในสภาพที่จะกินได้ต่อไ ป, mm hmm. อไปเนื่องจากกองทับมด ได้จัดการกินชอเเ็อกโกแลตจนกลายเป็นรูพุนไปเสียทั้งแท่งพ่อของบัตจึงต้องเอาชอเเ็อกโกแลตแท่งนั้นไปทิ้งถังขยะก่อนจะมาสอบถามความจริงจากบัตซึ่งทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อยู่รอมรอ่อเมื่อรู้ความจริงทั้งหมดแล้วพ่อก็พูดกับบัตว่าพอลูกแกะซองชอเเ็อกโกแลตทิ้งไว้มดจึงได้กลิ่นและไปบอกเพื่อนๆของมันให้มากินชอเเ็อกโกแลตด้วยกันนั่นเป็นเพราะ พวกมันไม่หวงสิ่งดีๆไว้กับตนเพียงคนเดียวแต่รู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆนั้นให้กับเพื่อนๆของมันด้วยมดทุกตัวจึงได้กินช็อกโกแลตอร่อยแท่งนี้อย่างมีความสุขแต่สำหรับลูกลูกคิดแต่จะกินให้อร่อยคนเดียวอยากมีความสุขเพียงคนเดียวสุดท้ายลูกก็จะไม่เหลืออะไรอย่างนี้นี่เองจำไว้นะสิ่งดีๆมีไว้แบ่งปันไม่ใช่เก็บไว้กับตัวเอง บัตปล่อยโฮด้วยความเสียใจที่ตนเองตระหนี่ไม่รู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นจึงต้องเสียช็อกโกแลตไปทั้งหมดต่อไปนี้เขาจะทำตัวเสียใหม่อย่างที่พ่อสอนพ่อกอดบัตและปลอบเขาอย่างอ่อนโยนเธอทั้งหลาย เรามาช่วยกันเพิ่มความสุขให้แก่โลกของเรากันสักหน่อยดีไหมวิธีการง่ายๆเพียงแค่แบ่งปันสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วให้คนอื่นบ้างไม่ต้องมากมายแบ่งให้เขาเขาที่เราจะให้ได้และเพียงพอที่จะทําให้เราเห็นรอยยิ้มสวยๆและได้ยินเสียงหัวเราะดังๆของเขาก็พอการแบ่งปันอาจจะทําให้เราเหลือสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขน้อยลง แต่จะเพิ่มกลิ่นแห่งความสุขให้อบอวนอยู่ในโลกมากขึ้นและเราเองก็จะได้รับความสุขเพิ่มขึ้นอีกจากเรื่องดีๆที่เราทำลงไปก็เหมือนเวลาเราเล่าเรื่องตลกให้ใครฟังนั่นแหละเราไม่ได้ต้องการเงินทองจากเขาสักหน่อยเราแค่อยากให้เขายิ้มหรือหัวเราะไปกับเรื่องที่เราเล่าเท่านั้นเองแค่นั้นแหละใช่ไหมที่เราอยากเห็นและแค่ได้เห็นก็ทำใหเรามีความสุขได้แล้ว